จิตมันภาคเองไอ้วันนี้มันยังเป็นอย่างนั้นอยู่เพราะว่าเราเรียนรู้มาเราเรียนมาว่ารู้กับลงพอเราเรียนมาอย่างนี้สัญญานี่มันจำได้พอมันหลงไปอุ้ยหลงไปละ สัญญามันก็เตือนว่าหลงไปแล้วมันก็เลยพูดออกมาจิตมันก็พูดออกมาไม่มีอะไรเดี๋ยวมันก็มันหมดไปเองเพราะว่ามันไม่มีหลงแล้วการพิจารณาถามว่ามันทําได้ไหมมันก็ทําได้เหมือนกันมันก็ไม่ใช่ทําไม่ได้แต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะทิ้งความคิดไปเลยไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วกลับมารู้สึกตัวเนี่ยอันนี้ดีที่สุดการพิจารณาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าผิดหรือมันก็ไม่ใช่ว่าถูกแต่มันเป็นอุบาย อบายคือหมายความว่าบางคนเนี่ยความทุกข์บางอย่างของเขาเนี่ยมันมาแล้วมาอีกโอเคสมมติว่ารู้สึกตัวผ่านไปได้ครั้งนี้เดี๋ยวมันมาอีกคล้ายๆเรื่องเดิมมาอีกแล้วทำให้เราต้องกังวลทําให้เราเป็นทุกข์มาอีกแล้วก็เราก็รู้สึกตัวบางทีหลายครั้งเนี่ยคนที่มีความทุกข์แบบนั้นเนะ่ยคล้ายๆว่าถ้าเป็นหมอโรคจิตเขาก็จะคุยใช่ไหมเพื่อจะสาวกลับไปว่าจริ ง, รงๆแล้วไอ้ปมที่มันถูกผูกอยู่นี่มันคืออะไร แล้วคนนั้นก็จะคลายได้ใช่ไหมพวกหมอจิตวิทยารวยๆเพราะมันพยายามสาวกลับไปแล้วก็คลายปมให้กับคนคนนั้นแล้วก็คนนั้นก็สบายขึ้นอันนี้ลักษณะเดียวกันคือถ้าไอความทุกข์แบบนั้นเนี่ยมันยังตามล้างตามเช็ดคนคนนั้นอยู่เนี่ยบางทีเนี่ยมันต้องใช้การคิดช่วยคิดช่วยว่าเออทำตัวเป็นหมอโรคจิตวะทาไมต้องคิดอย่างนี้บ่อยๆวะ มันเป็นเพราะอะไรมันติดอะไรเราติดอะไรอยู่ทํำไม เ, เราถึงต้องคิดเรื่องแบบนี้จนทุกข์และในสุดท้ายรเราสาวไปสาวไปสาวไ ป, วไปเรื่องส่วนใหญ่มีเหตุผลไม่กี่อย่างรักตัวเองก็คือตัวตนก็คือกลับไปก็มีอัตตามีความกลัวก็กลัวตัวเองว่าจะไม่ดีกลัวตัวเองว่าจะไม่อยากเป็นงั้นไม่อยากเป็นนี้จริงๆมันคืออัตตานั่นแหละแต่พอเราได้พิจารณาว่าจิตเรานี่มันไปทุกข์บ่อยๆกับเรื่องแบบนี้อ๋อเพราะว่า เรามีความกลัวอยู่เบื้องหลังมันเกิดจากความกลัวว่าหลังเรื่องนี้มาปุ๊บเราจะเห็นอ้อนี่จริงๆแล้วมีความกลัวเกิดขึ้นก่อนพอเราเห็นความกลัวนี้ปุ๊บตัวตนก็หายวับเลยเราก็ไม่เสียเวลาดึงกับมันแต่ว่าต้องรู้ว่าอันนี้เป็นแค่อุบายไม่ใช่หลักเราต้องรู้ว่าอุบายเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องมีตลอดทางของนักปฏิบัติธรรมแต่ว่าอุบายเนี่ย ถ้าเรารู้เองไม่ได้เราต้องถามคนที่เขารู้คนที่เขาผ่านมาก่อนมันก็ง่ายคล้ายๆมีคนบอกลายแพลงไว้แล้วเขาเรียกว่าแท็ติกเนี่ยมันจะได้หลุดออกมาง่ายๆถามว่าทําแบบรู้สึกตัวเลยได้ไหมก็ได้เหมือนกันถ้าอันนี้มีสมาธิดีมีกำลังเยอะก็หลุดได้ทุกเรื่องไม่ต้องไม่ต้องไปพิจารณาให้เสียเวลาพิจารณาก็เสียเวลาไปคิดอีกเพราะนั้นมันอยู่ที่สถานการณ์ของแต่ละคนที่พี่เรียกว่าโยนิโสมานสิกานี่ สถานการณ์ของแต่ละคนเป็นยังไงถ้าคนนั้นมันอ่อนจิตอ่อนแล้วก็ปวกเปียกกับเรื่องอย่างนี้บางทีต้องคิดช่วยบางทีต้องโพสิทีฟทอตช่วยไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้ยพวกนี้เป็นอุบายหมดแต่ไม่ใช่ทางที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์ที่แท้จริงทางที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์ที่แท้จริงคือพนอ้นจากโลกความคิดไม่มีอุบายหลายอย่างไม่ใช่แค่เรื่องความทุกข์ที่เราไปคิดนะ บางคนปฏิบัติก็คล้ายๆว่าเพ่งคล้ายๆว่าเครียดคล้ายๆว่ามีความตั้งใจมากเกินไปจนมันอึดอัดเนี่ยก็ต้องมีอุบายไปผ่อนคลายต้องเลิกปฏิบัติเช่นเจ้าฐานที่เลิกปฏิบัติไปก่อนตอนนั้นจิตอันนี้ก็คล้ายๆมันมันไปทางขวาเยอะไปละถ้ายังตั้งหน้าตั้งตาจะปฏิบัติจิตใจนี่มีความตั้งใจจะปฏิบัติอยู่เนี่ยมันจะปฏิบัติไม่ได้เพราะมันไม่ปกติ ไม่ปกติอันนี้ต้องไปผ่อนคลายอันนี้เป็นอุบายเหมือนกันจะผ่อนคลายยังไงไปเดินเล่นเดินชมนกชมไม้เดินสบายๆไม่ต้องคิดเรื่องปฏิบัติฟังเพลงสังหน่อยก็ได้อะไรแบบนี้คือมันมีหลากหลายวิธีบางคนก็ให้ไปออกกําลังกายให้มันผ่อนคลายอะไรเงี้ยให้มันลืมเรื่องปฏิบัติไปแล้วพอมันจิตปกติแล้วเนี่ยมันถึงเวลาแล้วอ๋อปกติแล้วนี่ถึงเวลาได้เวลาของนักปฏิบัติแล้วเวลาที่ปกติเป็นนาทีทอง เพราะฉะนั้นเหล่านี้เป็นอุบายหมดเราก็ต้องมีอุบายการปฏิบัติธรรมนี้ตลอดทางบางคนง่วงซึมนั่งแล้วงกเงกสมมตุติเดินก็จะหลุดทางอย่างนี้ก็ต้องไปล้างหน้าล้างตาไปอาบน้ําไปทําอะไรก็ได้ที่มันจะให้มันตื่นตัวขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้เานี่นี่เป็นอุบายหมดไม่ใช่หนทางก็ถ้าการปฏิบัติมันอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยมันก็ ปฏิบัติตลอดนั่นแหละแต่เราก็ไมไ่เรียกว่าปฏิบัติเราก็รู้เนื้อรู้ตัวอยู่อะไรผ่านมาก็เห็นเราไม่ได้ปไปหลบอยู่ที่ไหนการปฏิบัติทํามไมใช่ไปนั่งสมาธิให้ไปหลับตาอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไม่ใช่แบบนั้นเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างเราต่างจากคนในโลกก็คือว่าเราไม่ตามความคิดเราไม่อยู่ในโลกความคิด เราอยู่กับเนื้อกับตัวเราแล้วอะไรผ่านมาผ่านไปเราก็เห็นหมดทุกอย่างแต่คนในโลกอันนี้สิ่งที่เขาอยู่ก็คืออยู่ในความคิดแล้วอะไรผ่านมาผ่านไปเขาก็เห็นหมดเหมือนกันแต่เขาอยู่ในความคิดที่อยู่มันต่างกันผลลัพธ์มันเลยต่างกันเหมือนกันเราเห็นอยู่เรารู้อยู่แต่เราอยู่บนบกพวกนั้นเขาเห็นอยู่รู้อยู่แต่เขาอยู่ในน้าเขาเห็นด้วยรู้ด้วยแต่เปียกเลอะแต่เราเห็นอยู่รู้อยู่เราไม่เปียกเราไม่เลอะ ไม่เหมือนกันเขาทุกข์เราไม่ทุกข์ต้องให้มันตื่นอันนี้เป็นหลักพี่พี่พูดตลอดว่าสมาธิที่ถูกต้องต้องเป็นสมาธิที่ตื่นเนื้อตื่นตัวไม่ใช่สมาธิหลักไม่ใช่สมาธิเคลิมไม่ใช่สมาธิโมหะไม่ใช่แบบนั้นไอ้ที่นั่งหลับตาอยู่ลมหายใจสบายรู้สึกตัวอยู่บอกถามรู้สึกตัวไหมรู้สึกตัวอยู่จริงจรโมหะกินเวลาห0รู้สึกตัวอยู่เหมือนกัน50เปต มันไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวเราสังเกตเองก็ได้เคยทํามาทั้งสองอย่างอันนี้สังเกตสมัยก่อนนั่งแบบนั้นสบายไหมสบายรู้สึกตัวไหมรู้สึกตัวแต่รู้สึกว่าสมาธิแบบลืมตาตื่นตัวนี้มันดีกว่าก็เนี้ยง่ายๆแบบนั้นมันพร้อมจะรับรู้สถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นธรรมชาติได้อย่างสบายๆก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนเวลาเราผิดปกติเนี่ยเราจะคล้ายๆว่าเราเฮ้ ผิดปกติเยะเดี๋ยวันนี้รู้สึกว่าฟุงซ่านเยอะเราจะกลับมานั่งสมาธิจริงๆแล้วมันมันเป็นการพักผ่อนให้มันจิตมันสบายขึ้นหน่อยนึงแต่ว่าถ้าเข้าใจนะว่าเป็นการพักผ่อนนะก็โอเคนะไม่ใช่ผิดนะแต่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจแบบนั้นมันเข้าใจว่าไอ้นี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่ใช่แบบนั้นพอเรามีสมาธิที่มันตื่นเนื้อตื่นตัวเนี่ยเช่นออกไปข้างนอกมาไปฟงซ่านมา แล้วก็ผิดปกติกลับมาเนี่ยลองอะลองไปนั่งสมาธิดูนั่งไม่ค่อยได้หรอกพอมันนั่งเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเรากำลังทําความสงบพอเราจะทําความสงบเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าการทําความสงบเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีการกระทําบางอย่างเพราะไอสมาธิที่เราฝึกเป็นสมาธิตื่นเนื้อตื่นตัวมันเป็นสมาธิที่เป็นเองมันมีอยู่แล้วเราแค่เข้าไปรู้เข้าไปเห็นมันเฉย พอเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นมันบ่อยมันเปลี่ยนจากสัมมาสติเป็นสัมมาสมาธิมันเป็นสมาธิที่เขาเรียกว่าสมาธิเป็นเองไม่ใช่สมาธิจัดตั้งไม่ใช่สมาธิที่ทำขึ้นมาเพรา ะ, ะนั้นคนที่มาสัมมาสมาธิแบบนี้แล้วเนี่ยเขาจะไม่กลับไปทำสมาธิจัดตั้งเพราะมันรู้สึกว่ามั น, มนทำกำลังกระทำอะไรบางอย่างอยู่แล้วมันรู้ว่าไม่ใช่ทางจิตนี่มันไม่เอาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเชื่อผิ ด, ผด หลายอย่างที่จะพูดว่าต้องได้ฌานก่อนต้องทาฌานให้ได้ก่อนคเนี้ทำให้นักปฏิบัติมากมายอันนี้ก็เป็นทุกข์ว่าตัวเองทำฌานไม่ได้แล้วจะบรรลุธรรมได้ยังไงอันนี้ก็ลาบากกันนักปฏิบัติหลายคนที่ถูกทำให้เชื่อแบบนั้นอันนี้แหละเป็นสาเหตุที่พี่พูดตลอดว่าทาไมต้องเดินจงกรมไปฟังไปด้วยอันนี้เป็นแบบนั้นเพราะว่าขณะที่มันพอดีพอดีกันเนี่ย จิตมันตอนนั้นพอดีกับธรรมตรงนั้นพอดีเนี่ยมันจะเข้าใจลึกซึ้งมันจะเข้าใจเลยเข้าไปในใจเลยมันจะช่วยแบบนั้นไงบางทีฟังทั้งคลิปคลิปสั้นๆนะ่ะลองไปสังเกตทุกคนฟังไม่ได้ทุกคําฟังประโยคนี้เดี๋ยวไปรู้สึกอย่างอื่นไปคิดโน่นมารู้สึกร่างกายหายไปอีประโยคนึงค่อยฟังอีกประโยคหน้าอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบนี้ตลอดเพราะฉะนั้นจิตมันจะฟังพอดีเก็บแต่ละประโยคนี่แต่ละครั้งไม่เหมือนกัน มันจะเป็นแบบนั้นเพราะนั้นการที่เราฟังทรระหว่างเดินจงกรมนี่จิตอันนี้มันเปิดจิตอันนี้กำลังมีสมาธิเขาเรียกว่าจิตมันว่างพอจิตมันว่างนี่มันก็จะแอบซอบธรรมะง่ายๆลึกซึ้งละเอียดพอดีพอดีกับระดับจิตนะตอนนั้นตรงไหนที่มันพอดีกันมันจะแมชกันเลยทันทีและที่เคยฟังด้วยความคิดมันจะมันจะไม่ใช่ที่เขาถามว่า ปฏิบัติธรรมทำยังไงมันยังตอบไม่ได้เพราะว่าจิ๊กซ อ, อ่นี้มันยังไม่ชัดมันอยู่ในช่วงจิ๊กซอภาพอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าวันนี้เราฟังอย่างนี้เราจิ๊กซอได้เป็นรูปนี้พออีกวันหนึ่งเราหรือว่าอีกอาทิตย์นึงผ่านไปเราฟังเหมือนเดิมแต่ระดับจิตอันนี้มันเปลี่ยนภาพที่เคยถูจิ๊กซอไว้อย่างนี้ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนใหม่เป็นอย่างนี้คล้ายๆว่าในอดีตที่เคยจิ๊กซอวไว้ เหมือนเหมือนใช่แต่ยังไม่ใช่มันต้องเป็นอย่างนี้นนแบบนั้นมันจะค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เ, เพราะฉะนั้นธรรมะตามความคิดอันนี้ยังผิดอยู่ตลอดยังไม่ถูกคนที่พูดธรรมะตามความคิดมันถึงได้ผิดตลอดเหมือนกันแม้กระทั่งคําว่าปกติอันนี้คืปกติมีปกติเลเวลที่ไม่เหมือนกันด้วยอันนี้คืแล้วแตร่ระดับจิตใครที่บริสุทธิ์มากกว่ากันก็จะสัมผัสความเป็นปกติได้ไม่เท่ากัน